โดยไปสู่โลกวัตถธรรมที่ตรงไหนเราพยายามดูใจมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้มันคิดเครีย ด, ด, ดแค้นแน่ใจสุบใครปล่อยไปเราพยายามเลือกเอาแล้วมันเลือกเขาที่ อ, เ อ, เ, อเอาใจสบายได้จิตใจสบายมันมีทุกคนในที่นี้เรืนี้มีนะเดนี่เป็นยังไงเนีเป็นยังไงเดนี้จิตใจสบายเลยอารคนสบายนี่แหละเนี่ยเราต้องพยายามอยู่อามสบายตรงนี้ครับว่าเป็นวิสัยของ มนุษย์จะมนุษย์สมบัติเนี่ยเป็นสวรรค์เดี๋ยวนี้เราเป็นสวรรค์ถ้าสบายคนนี้ไปเรารู้จักผู้จักตัวนี้เป็นนิพพานสมบัตินิพพานก็หมายถึงไม่มีกลับเนี่ยน่ผ่านมันอยู่ตรงนี้แต่เข้าใจใกล้ที่หลวงปู่ไม่ต้องอะไรทั้งหมดสินกระทาให้เราไม่ได้อะไรทำให้เราไม่ได้ไทดดั้ได้แต่สฉพาะปัญญาเท่านั้นคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาเท่านั้น ไม่แต่คนจะล่วงพุ่ไปได้เพราะผมไม่รู้เป็นั่งหลับหูหลับตาไม่ใช่อย่างนั้นที่หลวงข้อมาพูดให้ฟังโดยตั้งใจัำอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้แก่ขอให้ว่าคนที่จะมาแน่เราไปท่านั้นเองเราจะไปในรูไหนก็ต้องไปเลือกเอาไม่มีใครห้ามเลือกครูบาอาจารย์เลือกได้เรามีสิทธิเต็มที่เพราะเราเป็นคนชอบองค์ใดต้องไปหาองค์นั้นอย่าให้มันเสียเวลาถ้าเราชอบองค์นี้กลับไปติดองค์นั้นมันก็ไม่ได้ผล ว่ามันก็เสียเวลาลวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราไปเสียเวลาสิ้นจากสองชั่วงโมงแล้วก็เหลือเสีงงยงแปดชั่วงโมงสิบชั่วโมงเราไปเสียเวลาสี่ชั่วโมงเราก็เหลือน้อยบางคนเสียจนหกชั่วงโมงก็มีเดินทางไปไหนไปที่ไหนได้โล ก, กียธรรมหมายถึงไปไม่ถึงโลกุตละธรรมไปไม่ถึงนิพพานให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไปถึงนิพพานเมื่อใดกันนั่นแหละส่วนเราเป็นโล ก, กียธรรมเป็นโลกุตละธรรม เมื่อเรายังไม่รู้โลกุต ธ, ธรรมแล้วก็อยู่ในโลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ถ้าคนใดออกจากโลกิยธรรมไปได้เป็นโลกุต ธ, ธรรมเนะ่เป็นวิสัยของบุคคลผู้ที่รู้เดียวอริยะบุคคลอาริแปล่าข้าศึกเงาะเปล่าพ้นไปแล้วจากความทุกข์ท่านสอนเท่านั้นเองเราเคยสวยดกันว่ายาญาปฏิปนโนพระวโตสาวกสรรโคสงสาวกของพระ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 เป็นเทวดาก็ตายเป็นนะเป็นคนก็ตายเป็นนะเกิดซ่าดเดียวตายซาเย่เกิดสองครั้งตายสองครั้งเกิดสิบครั้งตายสิบแต่คนมันอยากมาเกิดแล้วแสดงว่าคนนั้นรู้ไหมไม่รู้แสดงว่าคนนั้นเป็นคนอะไม่ใช่คนถ้าพูดอย่างนี้อย่าไปเสียใจเสียใจก็ทุขแหละหลวงพ่อพูดคนจริงให้ฟังคนอยากมาเกิดก็อยากมาตายสิแล้วเกิดมาแล้วที่ไหนต้นไม้เขาตายคนก็ตายเกิด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 ว่าศึกษาตัวเองควบคุมตัวเองร่างกายได้คมมดวบ ค, คุมไม่ได้มันหิวต้องให้กินเรื่องจิตใจควบคุมได้ทําไม่จะควบคุมไม่ได้ก็มันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไม่ทํากับมันนะอะไรท่านเองถ้าเราหวังอยากมาเกิดอีกใคอยากมาตายอีกแล้วอมาทุกข์อีกแล้วอยา ก, า ก, ก, ยากเป็นโลกีอยากทก็อยากไปนรกบ้างไปสวรรค์บถ้าคนใดเออไม่เอาเลยการเกิดเนี่ยไม่เอาแล้ยมันก็แล้วกักนไปเท่านั้นเองอยเป็นโลกุจารธรรมเราไม่หวังนะ จังหวัดที่พูดนี้ไม่ใชได้หักามหายทางหลุงหลงพ่อพุทธคุณๆๆคิท ค, คนไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาจะไปเรียนเอามันจะรู้ทำไมต้องปฏิบัติให้มันเกิดความรู้ทำยังไงจึงจะเกิดปัญญาทำยังไงจึงจะมีญาณปัญญาทำยังไงเราต้องสอบแสวงหาจนได้ถ้าเราเมื่อยังมีลมหายใจไม่สอบแสวงหาะจะมีโอกาสได้ไหม ไม่มีโอกาสอายุสามสิบปีสี่สิบปีบางคนหกสิบปีเจ็ดสิบร้อยปีตายเน่าเข้าหลวงยังไม่เคยรู้ว่าเราเป็นอะไรเลยหลงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ว่าหลวงพ่อเคยให้ทานมะเคยรับศีลมาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อนึกว่าทําบุญมากๆตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาและจะกลับมาเกิดในเมืองคนนี่เป็นคนสวยเลยรับหลวงพ่อเข้าใจอย่างไงหลวงพ่อต้องการอย่างนั้น เมื่อมาประสบสิ่งเหล่านี้หลกพ่อไม่เอาแล้วสิ่งนั้นหลกงพ่อไม่เอาใครจะว่ายังไงหลวพ่อก็ไม่เอาลงพ่อเป็นมิตรสาธิฐิก็เป็นได้เครจะว่าเป็นสมาธิสิก็เป็นได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรารู้จักเท่านั้นเองเรารู้จักเราเาจะหนีหรือเราจะอยู่เท่านั้นเองคนรู้จักแล้วอยู่เหมือนกับไม่ใช่คนรู้จักแล้วต้องหนีถ้ารู้จักแล้วไม่หนีกับไม่ใช่คนจหนีไม่ได้ก็เป็นโลกียะธรรมไม่ใช่ว่ารู้แล้ว ดีไม่ใต่อย่างรู้แล้วต้องหนีคันรู้แล้วไม่หนีไม่มีประโยชน์กับผลค้าที่เรารู้มาเลยสมมุติเราเหิวข้าวเนี่ยมีข้าวอยู่ที่เนี่ยเราไม่กินได้จะมีประโยชน์อะไรข้าวอะหิวข้าวต้องกินข้าวกินข้าวแล้วก็มันหมดหิวนั่นก็ดีเท่านั้นเองอันนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยกับชีริของเราเราก็ไม่ทำได้มื่อันแล้วเมื่อคันไม่มีเรื่องอะไรไปฟังวันนี้ฝังใกล้ๆเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมาก เยว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมหรือว่าสวรรค์นรกอเวจีพูดให้น์ฝังใกล้ๆนรกคือผุร้อนร้อนใจบีบฟุกแล้วคราวในขณะไหนเวลาใดเราทุกขนะ์อนมันจางหายไปเราก็ขึ้นสวรรค์โกรธมาเที่ยหน้าตกนรกอีกแล้วเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นนรกบัดนี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่ไปตกนรก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 สแสวงหาทางคน้นพบได้แล้วนั่นแหละเป็นนิสัยของโลวอุู่ตาธรรมไม่ใช่ว่ารู้ทันทีได้ทันทีไม่ใช่อย่างเดียวเราต้องอาศัยทําให้มียาปัญญาจริงๆทําจริงๆไม่ทําจริงแล้วก็มันจะไม่ได้จริงดังนั้นพานคืออะไรไม่รู้ถามดูก็ได้เนี่ยหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อถามได้แล้วนี่พานหมายถึงอะไรดูไหม พูเลยเอาใครรู้ไหมหรยอหรือไม่รู้ไม่ต้องทำมันใจมันสบายแล้วมันมีแล้วนิพพานไม่ต้องไปทำอะไรแบบคาว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ต้องทำอะไรเลยมันมีแล้วนี่จะ เ, เราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทำให้เราตายลาคๆคือเรา เราไปมันจะมีอันตัดศินเองมันนะแม่เนี่ยหลกงพ่อว่าสักจากคือของจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ไดคนทุกคนต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปหลงกิณธรรมถ้าเรารู้จักอันนี้มันจะทางออกไปทางนี้มันเป็นอย่างมันมาทางนี้มันเป็นหลกิณธรรมไปทางนี้มันจะเป็นหลกงตลอดสอนกันให้รู้จักให้มันเห็นให้มันรู้ตั้งข้าใจดังนั้นคนมันไม่เข้าใจโลกุตธรรมไม่ต้องทําอะไรโลกิณธรรมต้องทํา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 คนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องตายอย่างนั้นที่ว่าใครรู้ก็เป็นของคนนั้นใครไม่รู้ไม่เป็นของคนนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาพ่ามศาสนาอะไรเขาทำมันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะสงวนิยัติขจิตให้คนอื่นทําได้ไม่ใช่หรู้แล้วทําลายก็ไม่ได้เพราะมันทําลายไม่ได้มันไม่มีอันไรจะไปทําลายมันได้และจะไม่ให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้หเพราะมันหน้าที่ของคนที่ทํารู้เอง เรารู้แล้วจะทําลายมันทําลายไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาดัง น, น, นั้นพวกเรามาทีนี่ก็ต้องพยายามพูดหลวงพออพูดไปแก่คนฟังดูมันเข้าใจน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยฟังนั่นเนี่ยมันฟังครับอย่างที่หลพ่อพูดฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจแม่เข้าใจว่าโอ้มไม่ไม่มันก็นไม่มีของเขาแกมันมีในเขาแต่เขาไม่รู้เหมือนกับเกลียวที่มันอัดแน่นอยู่เกลียวหันแน่นเขา และไม่มีวันเจะหมูนออกมามันก็ไม่ขายออกมาเกี่ยวกับขันแน่อยู่อย่างนั้นมันก็โค่นหน้าอยู่นะไม่เป็งายขึ้นมามันก็ปิดอยู่นะไม่เปิดนเท่านั้นเองเรื่องจังหวะละทิเมืองไทยก็มีหลาย อ, อาจารย์นั้นดังๆอาจารย์นี้ดังๆเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ดั ง, ดงๆทุออกองค์อาจารย์ใดดีก็ต้องไปหาเลยเราชอบอาจารย์ไหนต้องไปอาจารย์นั้นแต่เราเลือกเอาให้เป็นเพราะเราเป็นคน เราเป็นมนุษย์ใครจะห้ามเราไม่ได้อยากไปก็ได้เราต้องไปถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปนะไม่ต้องไปอย่างนั้นให้เขา้าใจนะคือ ก, การเลือกคัดจัดหาออกให้เป็ดอย่างที่องค์ุรีมานโจรก็ประสบมาแล้วเขาจะแป้งฆ่าเราก็ได้องค์ุรีมานอายังฆ่าคนต้องผันคนต้องมีคนหนึ่งฆ่าองค์ุรีมานได้เขาคิดยังไงแต่องค์ุรีมานไม่รู้ดีโชคดีมีพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทเจ้าแล้วกับองค์ุริมาณ ก, ก็ต้องถูกขับตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าใจด้วยเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์สอนหลายอย่างเรางพอเคยเห็นหลวก็่อเคยไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีทุกองซึ้ง ส, ะสะนุกความจริงใจแก้ไขปัญหาตัวเองแก้ไขปัญหาคนนั้นคนช่วยกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญขึ้นอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจของเราถ้ามีการขัดแยง้งจิตใจของเราใครสอนก่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 มีเสือมีสคารมีแนียงปองมันก็อยู่เดี๋ยวมันก็อยู่เพราะมันเนี่ยมันก็ไม่ทำร้ายเราได้เพราะเราออกสนามันได้อันนั้นเป็นภายนอกที่หลวงพอ่อพูดเราฆ้าไปเฟังนั้นเน่ะมันก็แล้วเรื่องเราเร า, เราหมดให้มันหมดเดีย๋ยวอันนี้เขาว่าเอื้นโล ก, กิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วก็เป็นโล ก, กุจรธรรมแต่เราอยู่ในโล ก, กุจรธรรมเพราะว่ามันไม่มีการขัดแย้งกันวันที่พูดให้ฟังก็ น, นึกว่าจะจัดไปปฏิบัติได้ใช่ไหม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 แต่ไม่ต้องพูดเอาภาษาบ้านเราเอาภาษาบัญญัลงตนจะลุดูนตัวใครจะพูดอะไรเป็นเรื่องของคําพูดของคนเราจะไปยึดไปถือเราต้องพยายามดูใจเราอย่าให้มีการขัดแย้งภายใ น, ในใจิตใจฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆความเคยสินอันนั้นขึ้นมาได้ว่าเหตุผลฟังอันนี้ฟังเรามีเหตุมีผลฟังและปฏปิบัติจามเรียกว่าสุตะนัยปัญญาเท่านั้นฟัง ฟังได้ไปปฏิบัติตามสุตตะไมยะปัญญาจินตะไมยะปัญญาพาวนาไมยะปัญญาภพาวนาไมยะปัญญานปัญญาญาญาณของปัญญาทำให้มันเจิดเจิดปัญญาจนปีญานปัญญาเกิดขึ้นวันนี้พวกเราฟังฟังได้ไปปฏิบัติตามมันมีเหตุมีผลไม่ใช่เจ้าฟังได้เอาที่ไว้ที่ตรงนี้นั้นมันไม่ได้ผลที่ต้องพ่อพูดให้ฟัง รับรอบว่าทุกคนทําได้นั่งอยู่เดี่ยวนี้ก็ทําได้แล้วเดี๋ยวเดีด๋แต่ว่าไม่รู้ในขณะที่มันโกงในขณะที่เราโกงขึ้นมาเราลงเราไม่ได้รู้ตัวเราเจมันโกงแล้วเดียังรู้ดิรู้มันพอแล้วมันตกนรกเลยนี่ก็ไปสวรรค์มันเพอมันเศร้าอยู่แล้วก็ไปสวรรค์ขึ้นมาโกงขึ้นมาก็ไป น, น, กนรกเล้วเดี๋ยวนรกกับสวรรค์จะอยู่ด้วยกันโลกีเนี่ยทำกับโลกุณะทำเดี๋ยวไปสายเดี๋ยวไปไม่ถึงคนใดไปไม่ถึงคือสลัด การขัดแย้งไม่ได้เขาว่าโลกีธรรมคนใดไปถึงสลัดการขัดแย้งได้เขาว่าโลกุตระธรรมไม่มีการขัดแย้งในใจใครจะพูดอะไรเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้เพาะเอื้อนโลกีธรรมแต่ว่าคนยังกินข้าวทําการทำงานตามหน้าที่แต่ไม่มีการขัดแย้งเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมไม่ใช่จะเป็นเต่พระสงฆ์จ้าไม่ใช่จะเป็นแต่ญาติโยมเป็นเหมือนกันหบุตร เมื่อคนใดรู้แล้วสงวนลิขิติตไม่ได้คนใดรู้แล้วจะทําลายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวขอที่จะเข้าอย่างเอาเนี้ยพี่หลวงพอได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตตั้งใจวัน น, นี้บอกนึกว่าสมควรในเวลาแล้วท้ายที่สุด น, นี้อาจจะมาขอโประสงค์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่นะ่ะที่นี่อาจจะมาออขออ้างแล้วพของพระเจ้า และพระธรรมคาสั่งสอนขององค์าาสมเด็จพระสัมมาสัมพุและคุณของพระรานตาสาวกพระสัมมาสัมพจะมาเตือนจิตจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลหน่น้และจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทัลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคนนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะถาคนนี้ไม่แต่แค้งขาหน้าตามนูเท้าเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธเจ้าคือจิตใจสาจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้องใสจิตใจว่องไวนั่นแหะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าก็มีในคนทุกคนไม่มียกเว้นหรืออันนี้มีในคนทุกคนทุกพระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีตัวไม่มีตน ถ้าเราจับเอานั้นมาใช้ได้ เ, เราก็ต้องเป็นโลกุตตรธรรมเราก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะทำตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนรู้ตา ม, มเห็นตามถ้าไม่รู้ตา ม, มเห็นตามก็มเป็นการเดินส่วนทางากักบพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้เรื่องเวลาอันใกล้ที่จงทุกทุกคนใช้<ป>นรกคือควมร้อนอกร้อนใจหีฟุบ แล้วก็ในขณะไหนเวลาใดเราทุกขอนัมันจางคายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์โกรธมาเท่าน่าตกนรกอีกแล้วเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นนรกบัด น, นี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่ไปตกนกรกแต่ว่าไม่รู้จักทิศทางออกธรรมอยู่กับโลกิยธรรมอันนี้เขาว่าโลกียธรรมเราจะสแสวงหาโลกุตระธรรมเดิาทางนี้ออกทางนี้บัด น, นี้เมื่อเราหาทางออกโลกียธรรมแล้วเราก็ต้องมูเวิ่งยืนในโลกียธรรมทำดีกับโลก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 ผ่านคืออะไรไม่รู้ถามดูก็ได้เนี่ะเพราะคิดว่าหลวงพ่อถามได้แล้วนี่ผานหมายถึงอะไรดูไหมไม่รู้รพูดเลยอ่ะใครรู้หมายถึงอะไรหรือไม่ ร, มรู้ไม่ต้องทำใจมันสบายเลยมันมีแล้วนิ่ผาน ไม่ก็ไปทําอะไรบางคำว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ต้องทําอะไรเลยมันมีแล้วเนี่ยเราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตายใครคือเราเราไปมันจะมีอันตัดสินเองมันอะไรไม่เงียบหลว่าสัจจะคืของจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนทุกคนต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปลงที่นี่ถ้าเรารู้จักอันเนี้มันจะทางออกไปทางนี้มันเป็น มันมาทางนี้มันเป็นโลกพิจาธรรมไปทางนี้มันจะเป็นโลกจารธรรมสอนกันให้รูกอยากให้มันเห็นให้มันรู้นั่เข้าใจดังนั้นคนมันไม่เข้าใจโลกุตตรธรรมไม่ต้องทําอะไรโลกิจธรรมต้องทําในขณะที่เราทํายังไงจิตใจเราสบายเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมันเลยมันเป็นเองอยู่แล้วนี่ความเป็นเองนั่นแหละทีว่าโลกุตตรธรรมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายคาว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไม่ต้องทําอะไรเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมันมีแล้วใช่ไหมเป็นสัจจเป็นของจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ช่คนไทยก็ต้องตายอย่างนั้นคนจีนก็ต้องตายอย่างนั้นคนฝรั่งเศส ค, คนอังกฤษคนอเมริกาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องตายอย่างนั้นจีบว่าใครรู้ก็เป็นของคนนั้นใครไม่รู้ไม่เป็นของคนนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาพานาศาสนาอะไรก็ตามมันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะสมนิคติสต์ให้คนอื่นทำได้ไม่ได้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 ไม่เข้าใจแม่เข้าใจก็โอ้มันไม่มีมันก็ไม่มีของเขาแกลมันมีเนยเขาแต่เขาไม่รู้เหมือนกับเกียวที่มาอัดแน่นเกี๊ยวหันแน่นเขาแล้วไม่มีวันเจะหมูนออกมามันก็ไม่ถ่ายออกมาเกี๊ยวกระหันแน่นอยู่อย่างนั้นมันก็โค่นหน้าอยู่เนะี่ยไม่ม่ง า, ายขึ้น ม, มันก็ปิดอยู่เนะี่ะไม่เปิดนเท่านั้นเองเรื่องจังวะและที่เมืองไทยก็มีหลายนะ อาจารย์นั้นดังๆอาจารย์นี้ดังๆเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์ที่่างดังพวกองค์อาจารย์ใดดีก็ต้องไปหาเลยเราชอบอาจารย์ไหนต้องไปอาจารย์นั้นแต่เราเลือกออาให้เป็นเพราะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ใครจะห้ามเราไม่ได้อยากไปเส้นเราต้องไปถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปนะไม่ต้องไปง น, น่นะให้เข้าใจกันนะทวการเลือกคัดจับหาออกให้เป็น so, อย่างที่องค์พุิมารโจนกระสบมาแล้ว เขาจะแป้งฆ่าเราก็ได้องคุลิมาอาจารย์ฆ่าคนต้องผันคนต้องมีคนหนึ่งฆ่าองคุลิมาได้เขาคิดอย่างไรแต่องคุลิมาไม่รู้ดีโชคดีมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วกับองคุลิมาก็ต้องถูกเขาตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแห่เข้าใจด้วเดี๋ยวนี้อ่ะคูบาอาจารย์สอหลายอยา่างหลวงพเคยเห็นแล้วก็่อเคยไปฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีทุกองค์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 เราดูที่ใจเราเมื่อเราไม่มีการขัดแย้ยงกับใจเราเราไปกับใครก็ได้อยู่กับสัตร์ไล่ก็ได้เพราะมันสั่นไลยไม่ได้ทําเราแล้วนี่ที่ดงพ่อพูดที่เนี่ยมีเสือมีตะขาบมีแเงี้ยฟองมันก็อยู่เด่นมันก็อยู่ประมาณ น, นี้มันก็ไม่ทําร้ายเราได้เพราะเราออกสนา ม, มันได้อันนั้นเป็นภายนอกที่หลงพ่อพูดเราฆ่าไปฟัะนั้นและมันก็แล้วเรื่องเราเราหมดให้มันหมด เนาะอันนี้เขาว่าเ อ, อืนโลกิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วกขาเป็นโล ก, กุตรธรรมแต่เราอยู่ในโล ก, กุตรธรรมเพราะว่ามันมีการขัดแย้งกันว่าอย่างที่พูดให้ฟังก็ น, นึกว่าจะจับไปปฏิบัติได้ใช่ไหถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็นานพวกเราที่จะเข้าใจเพราะการพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีเวลา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 ดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนนะมีอานิสงส์มากถ้าหากไม่รู้สึกตัวในขณะไหนเวลาใดเลยว่าคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจใครายๆคือเราไม่มีชีวิตนี้เองเป็นยงไเราก็เลยเรียกว่าสติเพอสติไปแล้วนี่น่อย่างไแต่ไม่ต้องพูดเอาผัดนามา